คือพระเจ้ามันญัติพินัยเอาไว้เรื่องการบดตรง้รับนี้อยากบิดามานาในอย่างนั้นในการถานอารเบีย Baby. And... เทเธอเนะี่ยกหนึ่งหย่างอยากจะห้ไดเห็นเป็นประสาทความจริงใจของคนถ่วไปจึงจะเหลืมในอยากจะให้ใครไปจากเวรตะเวรของตัวที่อาการเดือดเป็นารเรียนเป็นการฝึกวามสามาหนอยากจะให้หลุดจากของตัว เป็นองค์แร้มย uh, ับสามนันเอายุังจดขวบแต่พระองค์ทรงพิจาราถึงเรื่องของเาหึงใส่คนนอกให้ทราบคือทรบย่สมบัติของหลวงพอประเทศชาติบ้านมืนดินก่นดูนึเปิดอะไร ตเตก์ไต่จับเนี่ยบ้างเลนะหนุ่มๆแตงหาอะไรไต่ไต่คนใดอะไรเมื่อตงตัวไตขอเองีที่ีที่เรองกนทำมฟเห็ี่ิดอะไรเหมอริยะับหอริยับหมายถึงัทธาสีมตาคะิรเอตตา จิตปัญญายาะปัญญาีอริยทัพ์ทรัพย์ภายในพระอวิยเจ้าทัพย์นนี้เป็นทรัพย์ผู้ปนเศษเป็นทรัพย์ผีเศษถ้าเอื่องก็เลยนอกอริยทัพย์ให้ใกระตายเดดนานไปเดือดเป็นสามเาทีพอเหวี่ยแล้วถึงใครทราบาึง ตัวนได้ อย่างพระพุเจ้าพระพต้อเจ้าะเป็นสกภัทเจนที่แทงเดือดในธาคือจะเป็นสกภัทเบนที่คือจะเป็นใหญ่ในโลกในวิถีในโลกคือจะเสมอเหมือนจะเป็นมาจากคนอื่นเอ๋อในประเทศเอในโลกตลอดถึงข้อเาวดาญเพิ่มยันยักษ์ใช่ไหม โคดคาราวะหน้าคุดธรรมดาของพระเจ้าจะกรพรรดเป็นผู้มีอำนาจอนีจต่อประศัตรทั่วไปแต่พระนันทบใหญ่เป็นึ่ง็นหนึ่งก็จะชอบหญิงคนหนึ่งชื่กอระยะบกกองยนี้หญิงคนนี้ต่อที่ละ่สียงนม ในสมัยในไุด <tummy brain nesse> ่จะจะเหนเหนือเลยไปขอขอแต่งงานกาแต่งานส็จัดเจนของเยียบได้หย่นบดาใจก็อนห้าเพราะสาวจะน้อย่ยงนแต่คนจะเคยถือสาวนามเจมาก่อนแต่งงานก็หาวามนะฉันปกตินี่ต เมื่อาไปตังเ้าได้เด็ดแล้วประเด็ดมาถึงแล้วก็ถืว่าเป็นลูกของตัวกรนีมนฉันสงหัยเงนตะาดใส่บางในที่ที่เป็น hay que ก็เป็นอันไปส่งบ่ะพอไปถึงนะก็อยากจัจักนะพระพุทธเจ้เลยตัดสังงั้นข้าเบื่อไหมถามงั้นข้าเป็นข้าแต่้ายังไม่ใช่แกในเบื่อตก็เร่งไปเพราะองค์ท่านเสร็จรบเข้ามาเบื่อเบื่อจะเลโกนผลนี่ห่มผ้าตาจครับเรื่องก็เลยนดัง ถึงราบสว่งเขา่ายตัวตัท่าน่ะเสียงระไทยเนี่ยอ่าเห็นเบียบกันเลยตั้งเวลาเอางั้นถ้าไปเลียดอีกก็ไม่มีใครที่จะเป็นสุดอโดนกดดันเสียพระไทยไหไปหาพระเจ้าห้ามบุคคลจะมาเบวยดในศาสนาต้องได้รับอนุญาตจากบิดามาราเจ้าก ปฏานาดาวเตัวอย่างดีนะทำไครับอันนี้ยากปฏิดานางาวยังอยู่จาเคล่นบวกผิดท่านผ้ใ้่าก็เช่นที่เจามาตามที่มนบังยัดอย่างการบวอกหน่อยคู่บวอกทำไมครับอันนี้ยากจัดขอแม่เชื่ก่อนเรีนเชื่อแต่ที่ที่มี่แท้นึ่ยเป็นอย่างบังยัดเป็นบังยัด ก็เลยบรรดาบเด้วยมาตลอกระช่งที่อย่างนี้การเดือยสามอันเป็นวลาจทำจรงจริงอยู่ไหทมทำเสือม่าการเคียนะงการเดือยการกระทำการดูจะสั่งเสียหรือไม่ก่อเป็นปัญหาอะไรเหมือนกันกับเราที่ทำชั่วจะนม่บอกเขาแต่ฟัง ไปทำเชื่อในสถานที road road ่ใดเวลาใดชื่วก็ยังเป็นเชื่ออยู says, ่เป็นเนื้อใการไปทำดีกับทนางเดียวกันเขาไปแจ่มเลยตังเสียเขาอยากเขเองเขาดีดานแดดาสังทังออกไปในเวลาค่ำคืนนอกจากนั้นอยากนิดเถื่อนไปแ็่มีความยังรักท่าดีในตัวเองไม่อยากจะให้ไปอย่างนั้นอย่าพาเทา ในวังยาดในย็นดีเลื่นใสในเป็นไจแต่ทิ้งหย่าเราก็ดูให้เองตั้งค่าไทยจะไปสร้างความดีในตัาเองเองเมื่อไปแล้วก็พยายามทำทุกอย่าที่จะเป็นทางดีเสียทางสัพพรู้ถึงกับเสกษากับดาบททั้งสองจึงจะหมายนั่นโกเกี่ยวไปนักถือว่าทผ่ทั้งสองเป็นพระอรหันต์อรหัง อะไล้วได้บวอุตก่าได้บวทั้งสองคนนี้เป็นจีเหี่ยนไสกรัทธาขกงาชญเชนควรดับเขไปศึกษาเรื่องสังหรจีชาของอาจารย์ทั้งสองเองก็เป็นผู้ที่มีพรทัยหนอกแนเป็นผู้ที่มีจีชาัาเขียบหลมที่ใจนแล้วในสายทางสพรุเป็นออก าลาจากอาจารย์ไปอาจารย์ก็เสียใจอยากเจอให้เจ้าครูเป็นอาจารย์นั้นสออนฝึกจิตใจแล้จิต่อไปเพราะเห็นวาจ็ตคนนี้ฉราดมเกพยายดูนี่ไปประกอบความเรียรทํามดตอชวยงหาทางส่รู้จนกระทั่งถึงเยนอาสเยนยี่สิบามเนหนึ่งันชนวหก แต่ออกบวกเป็นกระชังรั้นแต่ชั้นรู้เป็นระยะเวลาหกสี่ความความผิความเชียนไปหลายเรื่องหลายเรืองหลายสิ่งหลายอย่างสีมีทางสงสัยว่าจะเป็นไปเถอะทางสต่ชั้นรู้เราแั้นรู้และจรงเสด็จมาสดพระญาติพระวงของพระองค์ทุกคนในว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันทาจิตใจของ พวกเหล่านั้นยังมีกิเลสปัญหายังไม่เป็นพารียะเจา้าถึงจะมีสัทธาเลื่อมไเสเตนใจในศาสนาแต่ก็ยังคล้องคิดสิดพันกับลูกเป็นส่วนใหญ่ความเหงื่อลักลูกของตัวรักหน้าลักกับสิ่งอื่นทั่วไปแต่เวลณเิดสุตตะสมังเต็มมาความลักอื่นจะเนี้ยเด้วยรักบุตรไม่มี รักเด็ดนีรักมากเศรนี้ีเด็ดหรือสศรษฐีรักมากถึงจะเสียเขาค้องเงินทองไปขนาดไหนถ้าหากาบเด็ของตัวหาจากเก่อนเข้หรหาจากอะไรสิในชอบใจพอใจเลือกใจเชื่อจะเสียขนาดไหนแคจับไปก็ประกันให้ไหลนาเหลือเศษเข่าคล้อยเงินทองไม่มีก็ขู่ยืมคนอื่น นี่คือการรักลึกรั ก, กรเดียวกันเลือดในศาสนาก็ทั้นองเดียวกันในเตนมใจในพอใจถึงเขาจะมีศรัทธาเรื่องใสในศาสนาอยู่ความเต็มใจพอใจด้วตจะมี น, น้อยเป็นที่จะคอยจะมีกัมปนั้นการเดือดในศาสนาโด้สวนใดเด็กคนใดลูกคนไดสุเกเรเจตะแล่วก็เชื่อฟังบิดามานดา ด้วย อ, อย่างนั้นเพียนอะไรก็เลยเอาทานให้ในเช่นพอที่จะได้สางงานดดีดให้คนเช่นนั้นเนียไม่อยากจะมาฝากฝังคืออาจารย์สอนให้มาบวดในศาสนาเขาถือว่าเรื่องของศาสนาเป็นทังขยะเก็ดเยีเยมคนเชือ่อคนเสีย เ, เอาหวแต่พระพุทธเจ้ า, จาของเราเป็นอย่างนั้น ขนเป็นผู้ดียิเ่เเิดอริยาสาวะสมัยพุทธกาลเนื้อนกันในเว่าคนที่โลกในศาถนาจนต่อออกมาบวชโลกข้อศาถนาโลกเขาเห็นว่าเป็นผแบบูน้ดียิ่เเิดอยู่ในส่นควรจะถอยสู่วัดวาศาสานาเขาถือว่าวัดวาศาสานาเป็นหน้าที่ของคนเฒ่าคนแก่เป็นหน้าที่ของ คนในมีสติปัญญาหาจิ้เห็ดพอปากคอท้องเขาไปอาศัยเรื่องเครองศาสนาเขาเชือกันเชียงแข่นั้นไมได้เชื่อกันแบบการบวชในศาสนาประเภทธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเขาดียิ่เด็อะไรได้เต็มใจพอใจไปเพียงเสียผลขนาดนั้นความอยากได้บินอยาได้จผลยากได้ยู่แต่เสียตลนี่เสียสลาดยากเขาขอเงินทองพอเสียสลาได้ แต่ลูกลูกศิษย์ะเชื่อหลายอย่างจริงๆทางเป็นศิษยที่ททรักเขาชอบใจเขาเหลีอ่อมใจเขายินดีจริงจังจานั้นลูกของทุกคนที่ดีมีสติปัญญาเขาถึงดดเหวี่ยงแหงม่อยากใช่หมเขาวัดเขาว่าเขาเนนดือดไม่ขาดจากนั้นีิดอย่างนั้นก็มี อ, อีกหนึ่งเวลาลูกของตอนนั้นไปเหือดแล้วจะไม่ ทำประโยชน์อะไรจิตใจจะไม่เต็นไปในการปฏิบ er ัติอย er er ู่เต็มแจอยู่ในรับในร่าได้แต่นี้ธรรมะธรรมโออะไรไหมแม่สอนบิดามารดานอกันเรียกจะอยู่ไม่ได้เสกฮาวาพดออกไปจะเสียตารเสียงานใทําเขาความ้าใจแบบนี้ก็มีแต่ความพอใจแบบนี้ดูจะมีส่วนน้อยถือเหงื่อเอาไ้ด้วยใคิดหาเหุผลอะไรเป็นส่วนใหญ แต่ความพียงควารบวชเป็นการเสียสละใหญ่โตไม่ใช่ของเล็กน้อยเพือบวชกินจังจะยอมเสียสละเสียสละกทุกอย่างที่โลกเขาต้องการที่โลกเขาสั่งสอนที่โลกเขาชอบโลกเขายินดีควารกิงคนบวชจะออกมาจากคาราว่าที่เลือปัญหามี เพียงพอบริบูรณ์นู้นกันไมใช่ว่คนคนนั้นหมดพิเลดแล้วถ้งค่อยไปบวชมีพิเลดนี้นกัถ้าอยู่บ้านอยูเป็นฆราวาสก็ไม่ใช่ว่าคนนั้นเขาจะไม่มีสมบัติพระสถานในมีเลูกมีเมียไม่ใช่คนคนนั้นหมดหวังในทางฆราวาถ้าคนหมดหวังอย่างนั้นเข้ามาบวชไม่ต้องไปเอาฐานอะไร กินแล้วก็อนอนไปอาศัยเจ็บองการปวดเท่านั้นแต่พวกที่ัวสมัยชุดไต่การอย่างยาสาปเป็นละเอียดก็เป็นเจ็บขีถ้าชุดไต่ข่าก็เป็นกระสับมหากษัินก็เป็นกระสับรสะอาเนืพวกกระับทเหล่านี้เร 5, าควรต่ตำชาล า, มาเมตหายปวดงุกงลาก็เป็นสุติมีตระกูล ดีตะกุนเด่นคนจะกุนต่ำนี่จะมีน้อยเพราะคนตะกุนต่ำมนันเคอยมีปัญญาที่จะมาเห็นทุกเห็นแต่สนุกเฉลี่ยในการอารมณ์ต่างๆพวกที่เข้ามาเบียดเบือนในสารวัเห็นแต่สารวัตยิ่งใหญ่ลำบากลำพังนม่มีอะไรที่ระได้เป็นของของตัวคนเกิดมา ในอดีตเขาโกงก่อ่างต่างตัวหากิ้มเลื่อยมาเวลกาก็ตายไปไรน่ะเหลียบนเส้นเข่าขว้างเงินทองก็สิ้งเอาไว้ไม่มีใครได้ไปสักอันเดียวแต่ก็เหนื่อยเหนื่นอยเหนื่นอยหงุในการแสวงหาเมื่อไปเหลี่ยมเนพระก็ในนี้อะไรที่จะอดอยากยากจนขนาดไหนก็สำคัญคือเรื่องบังคับใจ ท, ที่เกี่ยวกับเพศเป็นส่วนใหญ่ เสื่อนอาหารตามอยู่จริงเ่็น น, นึ่งเหตุที่พักผาอาศัยยาแก้โรคไข้ไข้เจ็บมีจงพอบริมูรณ์ผ้ออาหาสะพืดดีปฏิบัติชอบพอเต็นไปคิดว่าการบวชมีโอกาสเวลาในการจะภาวนะาแก้ที่เละได้มากกว่าการเป็นฆราวาสความคิด เบี้ยมายในสมบัติพระสถานสำนั้นพระสมัยพุทธกาลท่านเป็นหนึ่แสวงหาไม้ว่าแสวงหาอะไรซึ่งเป็นเรื่องทั้งโลกเพระท่านสมบูรณฝึกมาอย่างยาสาสินระบุก็มีตาสามหลังเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ามีบริสุทิบริวาลูกเมียตั้มากมายตายกองเบี้ายเห็นกี่ัตนอนหลับไหลเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ามีเล็อดที่ออกบวช ของยาสาระบุเกิดน uh, ั้นคนจิ้งจกอทานในตอนผู้หิงจมูกเน่นอนหลับพอไปดูไปเห็นเข่ามันหมชอบใจเพคนหลับบางคนกนอนลืมตาบางคนกนอนอาากบางคนกตน้ำน้ำยหลไหลออกจากปากบางคนก็นอนไปกิริยาอะไรยากเพาคนมันไม่มี ข่าวนผ่นสบายก็นใรักษานรงก่นเดนเผ่อแล้วเมื่อไปตามเรื่องต่างๆที่เห็นเข้าสำรวตั้งเอในจิตในใจเหมือนป่าช้าผีดึกคิดอย่างนั้นจิตใจของฉันเบื่อหน่ายจะมาหลงไหลทาไมเรามาหลงไหลอยู่นี่งานปีแล้วคอาใจว่าเป็นของหยุดของดีเพจิตคิดในยินดีเท่านั้นทุกสิงทุกอย่าง ก็ปล่อยวางไปหมดนี่ก็จะตั้งหน้าประพฤติภาวนาละกิเลท้าจรงนี้ออกจากลาสัในกลางคืนนกันกับพระพุทธเจ้ายาสักริเภกหนึ่งเนนพุทธการเรืยนแล้วก็ตั้งหน้าตั้งดยเดินลงคมภาวนาละชีเลมันเดียไปสางสติเยีรหามันเดี๋ยวไปสร้างวลาเวร้านต่างๆมันเดีไปแสวงหา สมบัติพัฒฐ า, านอะไรอาศัยการยินทะบาทเยี่ยงชีวิตไปเป็นวันๆเท่านั้นขดฉันก็ไม่เดยหนึ่งหวังว่าอันนั้นอร่อยอร่อยอันนั้นจะนิ่อันนั้นเรอสามขอแต่ให้มันในจิดโลกภัยงตัวขอแตให้พอแต่ทางชีวิตไปได้ดทำความเพียนทางจิตทางใจสะดวกสบายเนพอตรงนั้น ท่านคือนี us, phone phone phone phone, phone phone phone, ้ไปจึงง่ายเข้าไปเมืองดใหญ่ๆ <adventures> ที่มีอาหารรสชาติดีน <mod àng S 1> <ATH> ี้เข้าป่าอยู่ตามคนป่าธรรมดาคนป่าก็เขากินอะไรเขาก็ให้อันนั้นตามเรื่องของเขายิ่งสมัยพุทธการไม่เคยมีใครไปเนี้นนำถ้ำสอนว่าทารของเลิศโดยคนเลิศทานต้องดีเลยคนดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ถือญาพระ ยินทบา่าเหมือนกันกับคนขอทานธรรมดาไม่ได้พิว่าเป็นของประเสริฐวิเศษอะไรในสมัยเมืองต่ำของพุทธังแร่นั้นจริงลำบากยากเย็นตะขมจิต ค, คนใจใครที่ไม่เลื่อมใสไม่เห็นอาจเห็นธรรมแตทนเหนืห่อยเพราะเคยติดความสุขความสบายมาจากคารวาออกจากสกุลที่ดีหนีไปอยู่ป่าอยู่กับคนทุกข์ยากลำบาก แต่ก็ค่มใจแล้วพูไปเต่ตาขมพระไทยฉันก็ยังมีพายคณะอะไรใส่ก็บาปได้เดียวงานก็อาศัยบาปไปตักมาอาบมาฉันจนกระทั่งวันจากปรินมในพานก็ยังไม่มีภาชน้ำอันอื่นจะเห็นได้อย่างพระ อ, องค์ตรงจะหายชายพระอเ น, นจะตักน้ำก็เอาบาปไป ไปตักน้ำมาถวายมีแสดงว่าบาตเป็นที่รวมทั้งหมดเต็นน้ำก็อยู่นั้นภาชนะอาหารก็อยู่นั้นาำปฏิบัติสั้นโดดมากน้อยยินดีตามมีตามเปิดของตนแกตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติรู้อดเขนทา ใจสงบสงัดจนละถอนจิตเล็กที่เคยติดข้องเสาหมองต่างๆตกไปขาดไปที่ยังไม่ตกไป่ขาดก็เห็นความสุขของใจมันไม่ได้ยืมบุ่นอยากอันนั้นอยากอันนี้นอกจากอยากจะต้นจิตเล็เท่านั้นใจของผูมิมั่นอย่างนั้นจนไม่มีภาระหน้าที่อะไรไม่ว่า อยู่สฐ า, านที่ใดนี่จะกาหนดจิตโดยใจท้องตัวสม่ําเสมอไปว่ามันคิดปรุงนี้เป็นทางที่สะสมกิเลสหรือปเป็นทางละถอนกิเลสที่เจราญอยู่นั้นแต่ละวันยอมได้อุบายต่างะจับเรื่องของจิตที่คิดปรงุงเข้าใจขนาดชัดเจนเลยไปจนใจถึงดีมุดที่สุด เรื่องของถาดของขันเข้าใจขนาดชาัดเจนว่ามันจป็งก่อนของทุกเป็นพาละถ้านิจมีพาสิตราพาราหาเรียเปันจากรันทาขันทั้งห้าเป็นพาละหนะักไม่ควรจะแบกจะหามต่อไปพบใหม่เราจะไม่มีอีกพอเห็นเรื่องของทุกในขันอยู่ทุกวันทุกเวลาจิตจีจะไปยึด เกี่ยวกับเรื่องของขันแล้วหมดไปละถอนเรื่องขันได้ก็คือละถอนเรื่องที่เลิดได้ไม่เห็นรูปว่าเปนตนไม่เห็นตนว่าเป็นรูปไม่เห็นรูปว่ามีในตนไม่เห็นตนว่ามีในรูปเวทยนนาสมมือนการสัญญาสังขานนิยานขันทั้งห้าท่ารู้ท่านไปจากแต่ตเมื่อจิตเป็นเล่นลดสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเชิงที่อยู่ เพาะสิ่งเหล่านี้ไม่ใจกิเลสเป็นขั น, นเราจะหลงไหลไปตามเด็กของขันเข้าใจขันเป็นขันความบริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์นี่คือท่านที่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาจิตใจของท่านแต่เมื่อเห็นหมาเป็นอย่างนั้นความแก่ความเี็บ ค, ความตายจะ ม, มีหรือไม่เพราะเหตุใดเพราะชาตินี้แต่เมื่อแตกดับไปแล้วจะไปที่ไหนเข้าใจในตัวเอง เพาะหมดชีเลตก็คือการถึงนิพพานนิพพานอยู่ที่ไหนพอจิตใจถึงความหมดชีเลตมันมีทางสงสัยว่าจะไปที่ไหนจึงจะเป็นนิพพานเพราะความดับชีเลตนั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานไม่ใช่เรื่องอื่นว่าจะไปสวรรค์สมมาโลกนิพพานอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องของจิต ขนาจิตที่เป็นไปอย่างไรเข้าใจการละเรื่องชี้เล็ดการตัดเรื่องชี้เล็การประพื้นตัวดีในสมัยก่อนทุกคนที่ออกบวชมุ่งมั่นตั้งใจอย่างนั้นไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาบวชเพราะจะเปลี่ยนชื่อว่าเป็นเชียงเป็นคิดเป็นจานอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องไม่ไดีบวชฮะลาบยศสัรเสริญ ทางโลกบวชหาความสุขทางใจอย่างไรใจเราจะเป็นสุขใจเราจะพ้นทุกข์นั่นแหละจุดมุ่งหมายของผูบวชทั่วไปฉะนั้นจึงอยู่สถานที่ดใดไม่ต้งวนวนวายภายนอกนี่จะจะละจะถอนกิเลสปัญหามันซ่องมันติดมันเชิดมันตึงอะไรซึ่งเป็นไปทางโลกทางชั่วท่านจะพยายามแก้ไขด้วยสติเดียวกัญญาของท่านเสมอไป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 หลังกายเจ็บปวย อ, อันนั้นมั น, ม น, ม น, มนเหเจ็บ ป, ป่วยไปก็เลยติดอยู่ตลอดเวลาเป็น อ, าาอสาลิโต่เต็มที่มุ่งหวังถึงความบริสุทธิ์มุ่งมุ่งมโนด่างนั้นจึงมมีการเกาะเกี่ยวตัวพันกับเรื่องทั้งโลกเขาจะสรและเสริมโยนยอเป็นหน้าที่ของเขาเขาจะเป็นปิชชนด่างไรเป็นหน้าที่ของเขา เราเป็นอย่างไรสร้าหับอยู่ภายในใจความดากไอ้เขาแสดงเสร็ก่อนจะมีความอยากใจเขาหนึนทาก่อนจะมีความดากจะไปยึดพานก่อนไม่มีอีกมันเจะมีฉากที่ผิดเลยก็ไปถึงแล้วเห็นแล้วจะอยากอะไรอีกถ้าอยากก็ยังมีเหนียวอยู่พ้าหาก็ยังไม่เห็นมันเห็นแล้วจะไปหาอะไรมันพอแล้วจะไปอยากอะไรนเหนื่อใจถึงความบริสุทธิ์กเไม่มี อะไรเป็นปัญหาสำหรับท่านเราเอาเป็นอย่างนั้นนี่จะท่าดยากเลื่อยไปได้อะไรมากกวไม่พอภายในใจแังนั้จะมีการหิวเลื่อยไปถ้าช่าขวางมีเหลือคฟือแต่นั้นโกยาเพรามันได้แก้ไขที่เดมาใจทองตัวเองที่เป็นคิดมันเหลงเลื่องของใจ เป็นทุกไม่ใช่เรื่องอันอื่นเรื่องกายไม่เหนื่อยนะนาที่พราะมันเกิดมามันก็แก่เลื่อยไปแล้วจะทำดีทําชั่วมันแก่เลื่อยไปจะทามันหลับมันนอนพันยืนมันเดินอะไรมันก็แก่เลื่อยไปจะทําการทํางานเรือไม่การทํางานมันก็แก่เหมือนกันกับกลางวันกลางคืนนาที่พราะมันเราจะทําความดีมันก็น้าที แต่มันก็หมดไปหมดไปอย่างนั้นความแจ็บของธาตุของขันต์ก็ทำนองเดียวกันมันเหนืลงไหลถึงเวลามันตายมันก็ตายมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของธาตุของขันต์กูที่เห่อยล้มลงคือจิตของผู้ศิวลุสุดม่นล่มหลงในเพล่เพลอนในมัวเมาในสิ่งเหล่านี้ เอาใตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างใจของท่านจึงสบายเมื่อใจสบายแล้วทุกอย่างมันก็สบายไปถึงอย่างใจมันจะเหวยงไข่แต่ใจมันก็สบายมันไมีอะไรอยากต่อไปความสุขความบริสุทธิ์ของใจจะเห็นจะเป็นเฉพาะ สุติปฏิบัติธรรมะเป็นสันติกิโกเป็นปัจจดตังหรือเห็นเดีวยวตัวเองเป็นของเฉพาะตัวพยายามศึกษาพยายามปฏิบัติธรรมะจะไม่เป็นโมคะสำหรับพุติปฏิบัต <c oughs> ิธรระแต่จิตเคย อ, อ่อนก็จะแจ่ขึ้นปัญญาที่เคยอ่อนก็จะ แก่ขึ้นว้าขึ้นที่เหลือปัญหาที่เคยรบกวนก็จะค่ อ, คคอยหายหน้าหายตาไปตกไปใจจะบริสุทธิ์ใจะจะสว่างสาวัยใจะจะเยือกเย็นหากเราเนี่ทีนี้พิจาราอย่างนั้นก็ไม่มีวันการบวชมันกบบวชแต่กายเพราะใจไม่บวชให้อยู่วัดอยู่ว่า ใจแต่ส่ไปหาการงานอย่างนั้นอย่างนี้เป็นพระเป็นเมนก็เป็นพระเป็นเมนุี่ตกกะปกไม่ใช่พระตะอาดไปหาเกี่ยวอยู่ทุกแห่งทุกผลเห็นขี่เห็นคนก่ออบก็จิตก็อจิตก่อจงไปพระเน่าเมรุเน่าพระแมลววัน หาตอมตูดตอมสี่คือจิตใจไม่มีอาจไม่ทำมันเป็นไปได้ถราพระคือดีทํางานอย่างนั้นแวบ อ, ออกไปเมื่อไรก็โทษตัวเองสงสารสังเวชว่าเพีไปเสดีจเสด็จทำไมใจถึงหลุ่นหลงมเมาอย่างนี้ ตั้มนีตัวของตัวเสมอไปแก่ไขเรื่องของตัวไม่ว่าการนั่งการเดินการหลับการนอนจะอยู่กับอัจกับทำนี่คือพระลวมเป็นพระเป็นสุปฏิปันโนเป็นอิสุยายะแต่ไม่รักษาจิตไม่รักษาใจของตน ลอยลอยลมไปดีวัดได้แต่กายใจใจไม่อยู่ในวัดในว่าไม่อยู่ในองของศาสนาเป็นโจรเปนมารต้นจะดมชาวบ้านเลื่อยไปเห็นใครก็ชอบติดคิดจุงในเรื่องชั่วหนึ่งเสียต่างๆ้าแบบนั้นเล่นแบบนั้น ตัวยองกว่าต้นตัวในราษฎรคนอื่นก็จะหาความสงบหยกเย็นในนี้เราหยุดรูปเสียงเรื่องราวภายนอกเป็นทองหยุดข่องดีกว่าอัตธรรมของพระพุทธเจ้าที่แนะนําสั่งสอนจิต ค, ค, คิดตรงไปในที่เหลสปัญหาจิตข้องเวลาค่าต่างๆมันก็ไม่แตกอะไรกับสัตว์สัตว์มันก็เป็นไปได้ทั้งทั้งสิทเข้ามูลที่ศึกษาเราเรียน สิ่งเห่านี้มันมีแต่จำสันดานของสัตว์ทุกประเทศที่ลมปานะลมหายใจมันเปลนไปได้ถ้าเราคิดเป็นแบบนั้นมันก็ลังคิดอะไรกันหรือว่าสังเวยเสือว่าเขาเป็นสัตว์เราเป็นคนดีวิเศษดีวิเศษอะไรที่เหลืปัญหามันอันเดียวกันโลกคนหลงพมันอาจจะน้อยกว่ามนุษย์อีกเป็นหมาหนึมันเลยฮะ เสืหาหมอนที่ไหนมันก็นอนได้ข้าวมันกเลยฮะภาชนะอะไรเนี่ยมันเยืนจะยินจะอย่างมันก็กินได้มันละต่ำหนกว่าคนเป็นบางสิ่งบางอย่างแต่คนเราเป็นตันหนว่ะมันชั่วกว่าเราไปเสียถ้าเรามีจิตจิตดวงเไปในทางชั่วมันชั่วยิ่งกว่าหมา พยายามรักษาพยายามดัดแปลงพยายา ม, ยา ม, ยามแกะไขสติประคับประคองใจแน่สอนสม่ำเสมอใจที่เคยดูดึงต่างๆก็จะหดตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามาพอเราเขี่ยนเราต้อยู่เรืยอยยึดรุงอะไรในทางชือกทางเสียเราจะต้องดัดตัวของตัวเหมือนเดิมฝ่าเขอนดู เหรอแต่มันยอมแต่มันฉันไม่ยอมให้มันนอนฝึกสอนมันทุกอย่างดัดมันจริงจังมาอย่างนั้นมันตรงไปมันได้นะลูกศรนที่เขาจะเอาไปยิงอกยิงสัดต่างๆเขายังดัดจิตใจของเราไม่ดัดใจมันตรงไปให้มันดีวิกเศษมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเคยโคตเคยงอมาแต่นั่นแต่ใดแล้ว จะต้องดับการดับทางหามันแข็งวิทีดัดก็ต้องเผาไฟมันก็ดัดเหล็กอะไรแบเป็นไฟแต่ติปัญญาเป็นตาตาสำหรับเผานึ่ถูกการเผามันก็อ่อนได้พยายามนึกคิดที่จะรลาตัวเองอย่าไปิดเรืองคนอื่น แก่ตัวเองไม่ได้จะดีที่จะสองคนอื่นได้มากมายเท่าไรมันก็ไม่รู้สึกประเสริฐให้สำหรับตัวของตัวขอให้แก่ตัวเองฝึกตัวเองตัวดีแล้วไม่มีปัญหาจะสอนคนอื่นหรือไม่สอนมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเห็นไหมถ้าอาจารย์เป็นทันยะทันสอนใครอยู่ในป่าแล้วก็ทื้ว่าเป็นสถานะของเรา ว่าทำหมดกิเลสพระพุทธเจ้าคนนี้ในเชิงตัณมิวันนี้เข้าไปในทาประโยชน์แก่โลกคนที่หมดกิเลสพระพุทธเจ้าชมเชยท่านนะอดเบ็ดถามทักขวนญสูงเข้าไปกมดชมเชยเพราะไม่มีทางเสียตอนนี้ไปอยู่คนเดียวไม่โยกควองกับอะไรเท่ากันชมเชยอีกนี่เชือคนหมดกิเลสไปสถานที่ไหนทำอะไรหมดกิเลสเรื่อยไป ไม่มีอะไรที่จะข้องจิตยิ่งไปเกี่ยวข้องทั้งทั้งที่เราได้ไม่เนหน้าตปนหลังอะไรนี่จะจะสอนคนอื่น่ก็เขาเ่อมใช้ก็จ ะ, จะหนึ่งหลัะกสากลละภายนอกแต่จิตใจมันเน่ามันเน้นขนาดไหนมึ่งนี้ทางสมวสาสางมันจะน่สรวจตั้งเองตัวเองเนี่ยสอนตัวเอง สืบสนตัวเองเพื่อปฏิบัติให้เห็นความสุขความสบายภายในก็จะหายสงสัยไม่มีอะไรที่จะเป็นเกียดก่อขวนตัวเองอีกนีคือความประสงค์ของพระพุทธเจ้าก็ทุกคนต้องมีการหลุมเหลง มีการเดือดร้อนเพราะเรามันเคยในเรื่องของกิเลสปัญหามาพอเหมือนตาที่เคยอยู่ในน้ำเพราะเอาขึ้นบกนั่นก่เดือดร้นเป็นธรรมดาพระนันทาพระอนุชาหน่องชายของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพอเข้าไปบวชคิดถึงแต่งงานเส้นหน้าบวชไปเลยยันไม่เปนอันทำอะไรจิตใจห่วงใหย คิดจึงจะทําความบาปความเพี้ยนอะไรก็ทําม่ได้เป็นพระองค์หาทางทรมานทาไปเที่ยวตามไล่ตามป่าต่างๆพอเห็นนางลีนาก็มีเข่าเสียไม่กับนางเป็นนบดจักรยานใครสวยตัวกันโอดเห็นพระองค์กว่าพระองค์ดีหมิ่นนิมทา นำผูกลีนผูกข่างมาเขียยกับานางเนมาผูกตะระยานีแต่พราเองเป็นผูกหินยุดมือเดชให้ไปดูนะลีนนางข่างนะก็มีเช่นก่อนจง่มบดบดบดา น, ดนให้เห็นนางเทพอักรบส น, นสวรรค์เทว ด, ดาเป็นสิ่งที่สวยงามมากเป็นจิตปากของม น, นุษย์สิ่งไม่เคยเห็นว่างามเหมือนเทว ด, ดา ท่านที่เขเคยเห็นเทวดาแต่ลืมข้างเขาเคยเห็นนี่พระนันทะก็ทํานองเดียวกันในเคยเห็นนางเทวดาเห็นแต่นางสป็นนบุตรกัลยาณีเท่านั้นว่าสวยเด่นยิเศษกว่าทุกคนในโลกไม่มีใครที่จะเทียบเท่าเท่ยมถึงยินดีติดใจใครคิดแต่เมื่อหยินคนนั้นพอไปดูนางลีนาง่อน พระพุทธเจ้าอ่ะไทยเสียก่อนกันหลังนางนวดยานีจึงมีการเสียพระไทยพอไปเห็นนางเส อ, อสอนเสวดาเข้าเหมือนกันกับมีนข้างกับมนุษย์นางนัรกบวยานีไม่มีอะไรหรือตนู่นไม่มีอะไรที่จะติดใจยากได้อีกยากได้แต่นางเสือวดานางฟ้าเท่านั้นพระพุท เจ้าถาม嘛เพื ida, ás, ảo, mercury, ่อนไงะนางเทอดสอนเทวดากับนางโซนันเบตรยันก็บอกว่าม้วนกันกับนางลีนางขั้งอยาได้มั้ยนางเทวดาอยากได้ยได้ยืดด้วยพยายามโดยมีปกลมภาวนาทำความเพียรเถอะนะเราจะเป็นตัวประกันให้ถ่ายทำความเพียรทางจิตทางใจจะมือหวังเนี่ยนางเทวดาเหล่านี้จะหาเป็น การทำเหตุสีของคุณให้ได้ทําความเพี้ยนพอทําความเพี้ยนไปประเดี๋วฟมงนี่หวังต่างใจอยากได้นางเทวดาคนนั้นเหยื่องานธาทำความเพียนเปล่าแรกเปลี่ยนนางเทวดาไม่ใช่ทาความเพี้ยนเพื่อไรสิลิคนนั้นเยอะคนนิยันจึงเป็นพระด้วยกันท่านก็คสมุดไน้ และเล็ดได้เรื่อนกิเลสของใจต่ก่อนแล้วก็รักใครชอบพอนางสนมบุตรกัญญานีมาเมื่อไปตบนางเทวดาก็ปล่อยชิมได้ในจิตใจยดยดีอะไรแต่แมส่สนมบุตรกัลญานีไม่ชอบตกเทวดาจิตใจมันมายาวแล้วเกินถ้าเห็นยญิงอื่นที่เสียตกเทวดามันก็จะไมชอบอีกจิตอีก ได้จับผิดเปลนจิตใจท้องตัวละอายใจไม่ใข่คิดไปในทางก า, ารมารมสังวรระวังจิตที่นิจเจรมาอาัคคธาอาคคีังที่จรมาธรรมะนหนาแน่นเข้าไปในใจหลุดลอยออกไปสู่อารมณ์หายนอกผล่ิสุกก็ได้ตัดสรู้ เป็นอรหันต์เร า, าก็ทธเจ้าทรงตั้งเอตตะคะกว่าเป็นผู้ดีมียินสีสงวรคือผู้ระวังจิตใจดีเด่นกว่าทุกเอ็มจับได้เราก็พอจับได้เหมือนกันถ้าหเราจะจับจิตของจิตใจอย่างจิตใจเท่านั้นน่มันทําให้คนเป็นทุกข์ทำให้คนหลุ่มหลงทําให้คนเปิดเผยร้รองไห้ เยอะใจสาใจตังฑ